วันนี้เป็นวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2555พระจำพรรษาที่วัดของเรา42รูปนะคณนสทายาตโยมแต่วันนี้ลงมาฉัน30รูปงดฉัน12รูปวันนี้พระไม่ลงมาฉันพร้อมกันงดฉันทานภาวนาของท่าน หมดไป12องค์12รูปแล้วก็คือวัดของเราในพรรษาก่รับบาสนอกวัดออกพรรษาแล้วก็เข้ามาฉันในวัดนอกพรรษาเนี่ยก็รับบาสนอกวัดทั้ง3ทั้ง3เดือนนี่แหละทุกวันในพรรษาก็รับปีนทะบาตรฉันในวัดแต่พอเข้าพรรษาพวกเรารับ วิดา บ, บาทนอกวัดอันนี้คือองค์หลวงตาท่านพาปฏิบัติมาหลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสิบสองปีก็ได้ทาอย่างที่อย่างนี้แหละถึงจะยากลำบากครูบาอาจารย์หลวงตาท่านพาดำเนินแล้วก็พร้อมกันตามปกติแล้วก็ฉันอยู่ข้างในอยู่แล้วแต่ข้างนอก เราก็มีมันเข้าพรรษาเป็นการถือตุรงข้อนึ่งแต่ตามไม่จริงก็คิดว่าเราจะว่าจะให้มันน้อยแต่กลับมากแต่ถึงยังไงถึงจะมากหรือน้อยพระสงฆ์ผู้เป็นเจ้าของก็ต้องรู้จักประมาณตนอีกเหมือนกันคือให้รู้จักประมาณตนถึงจะมากก็รับตาม สมมาสมควรคือฉันตามสมควรตามอัตภาพและก็พยายามผ่อนละอดอาหารตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพาดาเนินอีกเหมือนกันวันนี้ถือว่าเป็นวันวันเข้าพรรษามาตั้งแต่วันที่สามเขาม้าพรรษามา10วันแล้วก็หลวงพ่อได้ไปโทษดพระป่าเมื่อวันที่10 ได้พบกูบายจารหมู่พเพื่อนหอลวงพ่อยังไมไ่เคยแจ้งให้คณะสัทยาญาติโยมทราบพ่าภาพปาด ท, ที่พวกเราไปทอดที่สวนแสงธรรมเมื่อวันที่7กรกดาก่อนเข้าพรรษาที่ใบบุรณะสวนแสงธรรมคราวนั้นหลวงพ่อได้เป็นชักชวนพระสงฆ์เจ้ า, าวาดต่างๆที่เป็นสิตเดียวในศิตขององค์หลวงตาและคณะพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ไปร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะซ่อมแซมเสนาชนะสวนแสงธรรมที่น้ำท่วมพวกเราคนน้ำท่วมใหญ่เสียหายมากต้นไม้ตายเยอะและ้วเสนาชนะก็รู้สึกว่าจะต้องได้ยกขึ้นตามระดับ mm. เพื่อให้หนีน้ำแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ไม่รู้ยอดเหมือนกันแต่พยายามถามใครก็ไม่มีโอกาสที่จะถาม เมื่อเข้าไปเมื่อวันที่สิสิงหาหลวงพ่อก็ไปถามหลวงพ่อจุดใจที่เป็นเจ้าของบัญชีและเจ้าอาวาสปัต่าบัานตาดองค์ปัจจุบันหลวงพ่อถามว่าท่านหลวงพ่อจุดใจในภาพปาสามัคคีของพวกเราที่ทอดที่สวนแจงธรรมวันนั้นยอดจุติเท่าไหร่ท่านบอกว่ า, วารวมกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ประมาณสิบสี่ล้านกว่ากว่าโอ้ หลวงพ่อว่าอือพอใจองคุ่มจะได้ดูแลเสนาจะนะสวนแสงธรรมต่อไปเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีวัดป่าบ้านตาดเพื่อสวนแสงธรรมเปิดบัญชีเป็นบัญชีหนึ่งเพื่อวัดบัญชีวัดป่าบ้านตาดแต่เพื่อสวนแสงธรรมเจ้าของบัญชีก็คือพันพระอาจารย์สุดใจเป็นองค์ที่หนึ่งรองเจ้าวาดคืออาจารย์บำรุงองค์ที่สอง องค์ที่สามอาจารย์บุญมีถ้ำเตา่าองค์ที่สีท่านพระอาจารย์กอไผ่กกสะทรบัญชีมีชื่อมีอยู่สีองค์ที่ดูแลบัญชีหลวงพ่อมีตะผู้รวบรวมบอกพระนัทายาทโยมช่วยกันหลวงพ่อก็ได้ลงขันไป ห, นหลายแสนมัอนกันนะเพื่อดูแลบารุงสวนเจ้งธรรมขององค์หลวงตาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหลวงพ่อเองไม่ได มองข้ามเรื่องการบุญการกุศลด้วยการสาธารณประโยชน์เพราะที่จะช่วยจุดไหนได้เพราะจะช่วยอะไรได้นะก็ช่วยๆกันไปอย่างเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวนี่นะนะก็มีมากแต่ว่าเรื่องส่วนที่เราจะดูแลบำรุงรักษาหรือว่าวัดของเราหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มองข้ามอีกเหมือนกันพระสงฆ์ในวัดของเรา เป็นยังไงการเป็นอยู่ยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่าให้ขาดตัวบกพรองนะอันนี้หลวงพ่อก็อพยายามบอกกล่าวแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกพระของเราทุกองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมออย่าไปช้าใจในความไม่ดี น, นิดๆหน่อยๆ เ, เรียก ว, ว่าเหมือนกับไฟนะ่ยมันมีหน่อยเดียวเออไม่เป็นไรหรอก ต่อไปมันกัดลุกลามขึ้นไปเรื่อยอาจจะไม่จ้าลงซ้าลาไม่ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นหน้าแรงนะ เ, ออเรื่องไฟของเราก็เหมือนกันถ้าไฟฟ้ารัดวงจรมันช็อตแต่ว่าไม่เป็นไร น, ะนิดหน่อยอย่าไปประมาทบอกคําคว่านิดหน่อยคํานี้แหละอต่อไปมันอาจจะระเบิดขึ้นมาแล้วรัดวงจรอาจจะไม่ซ้าลาวที่พักพ้าอาศัยของเราได้คําว่าไฟแล้วเราต้องระวัง เนีย่ยจะมันเกิดน่าสถานที่ใดที่มันแตกแตกต่างไปแล้วเนี่ย เ, เราต้องระวังเพราะพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านปรารบภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านบวชเข้ามาด้วยศรัทธ า, เ, าเป็นผู้มีศรัทธาคงจะมีสกุลหรือตระกูลใหญ่พอสมควร เ, เข้ามาแล้วก็จะบวชใ น, นพระพุทธาศาสนาแต่พอมาเจอ เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอื่กระแทกเข้ามาทําให้พระองค์นั้นเป๋ไปเหมือนกันพอเป๋ไปแล้วก็อยากจะสึกนี่ได้ก็กไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ต่างๆจะ น, นําไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเือเรื่องกิเลสเนี่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนถ้าหากว่าพวกเราไม่ระมัดระวังไม่สํารวมระวังทําให้ ตัวเองเดือดร้อนได้รับความทุกข์เหมือนกันไม่ว่ายุคนี้สมัยก่อนสมัยก่อนก็เหมือนกันนกยุงทองรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่เจ็ดถึงเจ็ดรอปีรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่เจ็ดรอปีผลที่สุดก็กิเลสเข้ามาครอบงําทําให้นกยุงทองได้รับความทุกข์เพราะว่า ขาดการยับยัง้งขาดการคิดพระพุทธองค์จัดเพียงแค่นั้นพระสงค์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าผ่าที่นกยุงทองที่ได้รับความทุกข์สมัยนั้นพระพุทธองค์ก็เฉลยปัญหาเนี่ยกเป็นชานตกขึ้นมาถึงสมัยหนึ่งพระเจ้าพร ม, มทัศของราชสมบัติกรุงพหลานาศีสมัยนั้นมีนกยุงทองตัวหนึ่งอยู่ในฝูง ใหญ่ขึ้นมานกยุงทองตอนนี้ก็อยู่ในฝูงหลายร้อยตัวพ อ, อนกยุงทองไปกินน้ำไปกินน้ำในแม่น้ำไปดื่มน้ำในแม่น้ำแล้วก็ขึ้นมากันมองเห็นตัวเองในน้ำว่าโอ้เรานี่สีสีทองแล้วก็มีสร้อยผิดกว่านกจุงทั้งหลายสีทองเป็นดวงเป็นดอกเป็นดวง งามกว่านกอยู่ทั้งหลายมองตัวเองในน้ำเพราะถ้าเราขืนอยู่กับหมู่ต่อไปเนี่ยเราก็คงจะถูกนายพรานและมนุษย์คงมารบกวนเราแน่เราควรจะหนีจากหมู่ไปอยู่ตามลำพังดีกว่านี่นกปลา์ดทั้งหลายนะถึงจะเป็นนกท่านก็ฉลาดนะถึงจะเป็นนกท่านก็ฉลาดในการเป็นนกของท่านเอาตัวรอดนะถ้าขืนอยู่นี่ก็เขาจะต้องมองดูตัวไหนใหญ่ตัวไหนผิดปกติ ที่เป็นหัวหน้าฝูงเนียพานเขาจะต้องเอปล่อยธนูและยิงธนูหรือว่าหาวิธีจับนกตัวนั้นแต่นั่นนกยูงตัวนั้นก็เลยบินกลางคืนมาพวกหมู่นอนหลับหมดลูกยูงสีเขียวนะ่ะเป็นบริวารนนะแต่ท่านเป็นสีทองนะจากนั้นนะก็พอหมูนอนหลับกลางคืนนะ่ะคงจะเป็นเดือนหงายนะท่านก็ขโมยบินเลยบินไปตามลําพังนะ่ะ เข้าไปสู่ภูเขาที่ไกลที่สุดข้ามภูเขาไปสามสามชั้นไปถึงชั้นที่สี่ก็ไปอยู่ที่นั่นพอไปอยู่ที่นั่นก็หาที่ทําเลไปเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึง่งอยู่ในหุบเขาก็าไปจับเกาะ อ, อยู่ที่นั่นก่อนจากนั้นก็นขึ้นไปสํารวจถ้ำเขาไปเห็นหน้าผาไปเห็นถ้าหนึง่งเป็นภูเขาสูงชันเป็นหน้าผา คนจะปีนลงก็ไม่ได้คนจะปีนขึ้นก็ไม่ได้นาพา น, ะนกยุงก็ไปเห็นก็เข้าไปอยู่อาศัยถ้ําข้าไปอยู่อาศัยถ้าแล้วก็ลงมาหากินแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะลงไปหากินพอพระสว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้านะนกยุงทองตัวนี้ก็ขึ้นไปเกาะ บ, บนยอดเขานะพรายอดเขาแล้วก็ไล่พระคาถาเนะี่ย เคยคล้ายๆพระจมพระกาถาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุเทเจตยันตุคุมาเอการาชาพระอาทิตย์เหมือนกับพระราชาเป็นใหญ่ในแผ่นดินแสนสว่างเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นบรรยายเสร็จแล้วก็ขอให้คุ้มครองเข้าไปเจ้าตลอดทั้งวันด้วยเทินจากนั้นนกยูมทองก็ลงไปหากินตลอดทั้งวันพอกับตอนเย็นกลับขึ้นมาอีก ขึ้นมาไปเกาะบนยอดเขาอีกมองไปทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านกยงทองก็ไล่ค า, าถาขึ้นมาอีกอย่างเปตยันทุกุมาเอกร า, าชาอาริสวรรณโนพระราชาพ ร, าพระอาทิตย์อย่างเหมือนกับพระราชาจะรับขอบฟ้าไปแล้วโดวยอํานาจปุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเข้าไปเจ้าตลอดราดตีนี้ด้วยเทินะนี่แหละอันนี้นกยูงทองต่า น, นก็ลงมาจากกลังเขาก็เข้าไปใน ถ้ำไปเกาะตัวอยู่ที่นั่นเป็นที่ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนหลวงพ่อว่าเนี่ยถ้าใช้แบบนกยุงทองเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราได้ดีทีเดียวคือก่อนที่จะตื่นเช้ามาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ตั้งจิตนันทิฐานโดยอํานาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองเข้าไปเจ้า ให้ตลอดปลอดภัยด้วยเถินวันนี้ให้แล้วก็กลับตอนเย็นมาก็ไหว้พระสวดมนต์อีกตั้งคิดที่ฐานอีกตัวอํานาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าในราตีนี้ด้วยเถินใช้คาถา น, นกยุงทองหลวงพ่อว่ า, ากัจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะนจากนั้นนกยุงทองตัวนั้นนะครองตัวอยู่ในนั้นและมีพรานป่าพรานไปซอกแซกไปเลยนะพราน ไปเห็นนกยุงทองอยู่ในป่าอยู่ในยอดเขาโอ้โหนกยุงทองเด่นน้ำมันสวยมากเลยใหญ่อีกต่างหากสวยอีกต่างหากเราไม่เคยเห็นพรานคนนะั้นกเลยมาบอกให้ลูกชายฟังถ้ า, าว่าใครก็ตามนะพระราชาหรือบอกพรามก็ตามนะถ้าถามว่านกจูงทองมีไหมให้บอกเขานะพ่อเห็นนะอยู่ภูเขาลูกนั้นนะอ่ะว่าสวยงามมากเป็นนกนกยุงทองสวยมาก อยู่ภูเขาลูกนั้นนะถ้าว่าใครถามนะแต่พระเจ้าเป็นทินที่บอกพรามถามแต่คนอื่นอย่าไปพูดให้ใครฟังนะพอสั่งลูกต่อมาพรานตอนนั้นก็นเลยตายพอตายแต่นี้พอวันหนึ่งอัครมเหสีของพระเจ้าพลานทสีฝันไปนฝันไปว่าไปเห็นนุกหยุงทองแสดงธรรมให้ฟังโอ้ภายเลาะจับใจอย่างมากในนิมิตนะสุบินนิมิตตื่นเช้ามากเลยมาพูดให้พราชา ฟ่าโอ้เมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงทำ ร, ร็ขอให้พระ อ, องค์หาคนทั้งหลายมาบอกด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าต้องการนกยุงทองนะต้องการนกยุงทองเนี่ยแต่นี้พระราชาก็ประกาศหาก็ไปถึงลูกของพราหมพราม์ลูกของพราหมณ์คนนั้นก็บอกว่าลูกของพรานลูกคนพราหมณ์บอกว่ามีพ่อบอกว่านี่อยู่ภูเขาลูกนี้อยู่เข้าไปในนั้นเดินไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีแผนที่ไว้เสร็จ ต่เนี่พวกพลานทั้งหลายแไปพระเจ้าแผ่นดินก็ให้ไปพอไปแต่เนี่กเขาไปพยายามจะจับนวกยุงทองตอ้นีจับยังไงก็ไม่ได้เอเพราะว่าอุเทนยันจูกุมาใช่เ อ, อด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทียบพเจ้าเราเทวทั้งหลายคุ้มครองเขาจะดักจับยังไงก็จะยิงก็ไม่ได้จะทํำยังไงก็ไม่ได้แต่เนี่นาง กามเหสีของพระเจ้าพรราลานิสีก็เลยตายไปองเพราตายไปพระเจ้าพรราลานิสีก็โมโหในใจใคล้ายๆกับกโกรธแค้นในลุกหยุบลกหยุ่งทองก็เลยเขียนเป็นใส่แผนทองคําเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามได้กินเนื้อนุกอยู่ทองตัวนี้ที่จะจับอยู่เนี่ยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทถึงได้เกิดสลักไปเอาเข้าในตู้แก้วเอาไว้ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมา เข้ามาอ่านเอกอ่านแผนโอ้พยายามส่งพรานไปเอกไปจับออกจนเจ็ดพราชานะีไปพยายามจับนกยูงทองตัว น, นั้นเพราะจับไม่ได้นะเนี่ยพราะองค์ที่เจ็ดนี่เนี่ยพรานย่งมีหัวเลยบอกเอ๊ะน่าจะเลี้ยงนกน่าจะทำนกยูงทองตัวเมียเพราะมันอยู่นกยูงตัวนี้มันอยู่ตามลำพังไม่มันอยู่หากินตามลำพังตัวเดียวควรจะเลี้ยงนกยูงตัวเมีย ตัวที่เลือกคัดสรรให้สวยงามนั้นก็ฝึกซ้อมให้ดีวิธีร้องและก็อยู่ยังไงลักษณะอย่างนั้นเมื่อก็นกต่อของเราเนะ่เราต่อนกเขาเขาก็ต้องนกเขาเสียงดีใช่ไหมลักษณะดีท่าทางดีเนียนกนกต่อนะีทีนี้เขาก็ต้องเลือกคัดสรร น, นกต่อของเขาอย่างดีฝึกซ้อมอีกต่างหากสอนให้มันอีกต่างหากพระนริโชก็ในพานก็ได้นกไปถึงใกล้แล้วก บริเวณที่นกยุงทองลงมาก็จับมากับนกยุงทองออบนยอดเขาให้นกตัวนี้ร้องขึ้นมาเองแต่คงจะร้องไพเราะจับใจเพราะเสียงนกยุงทองตัวเมียพ่อร้องจับใจแต่นกยุงทองที่อยู่ยอดเขานไม่ได้ไล่หมดเลยเอเลยลืมสาธยายพระคาถาตนเองนเนี่ยพอได้ยินเสียงนกยุงตัวที่เขาเอาไป ล่อเอาไปต่อเยลยร้องขึ้นมา เ, เสียงจับใจมันซึมซับเข้าไปสู่หัวใจเราเงันเถอะมันมันคงจะถ้าเป็นเจียงคนก็คงจะปิ้งลักษณะอย่างนั้นแหละงั้นได้คงจะเมาไปเลยเพราะใ น, นสุดทะเลถลายลงมาจาเอบบนยอดเขางั้นได้พอมากก็นายพานก็ติดตาไข่นายนพานพอดีติดบ่วงเลยติดบ่วงนายพานเนพอานายพานจับ โอ้นกยุงตัวนี้มากำลังแรงเลยในพานท่านจะทำยังไงจะจับยังไงนกนกยุงติดบ่วงแล้วตัวนี้แต่เนไปเห็นนกยุงตัวนี้เนี่ยเป็นนกยุงที่สวยงามมาก เ, เราเราไม่ควรจะจับอถ้าจับไปก็ได้เอาไปถวายพระราชาก็กได้แต่เงินเพียงก็ไม่เท่าไหร่เราควรจะปล่อยดีกว่าให้อภัยสัตว์ดีกว่าคือ พนกยุงทองติดบ่วงนั้นน่ะนายพรานกับพิใจัยใหม่ก็คงจะเนี่ยคงจะเกี่ยวกับคาถาของนุกยุงทองก็นมัออ้งแต่ช่วงนั้นน่ยช่วงที่ลงมาเนี่ยลืมไล่พระคาถาใช่ไพอลงมาติดบ่วงเนี่ยมีอํานาจของอํานาจจิตของนุกยุงทองเนี่ยคงจะโอ้ตายค่าติดบ่วงแล้วคงจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้านายพานเห็นนุกยุงทองนะเกิดควา ม, มเมตตาเกิดความ ไม่อยากจะได้เงินที่ตั้ง อ, อกตั้งใจมาถึงเจ็ดปีที่จะไปดักนกยุงทองในเจ็ดปีนะเนีพระราชาก็เป็นพระราชาคนที่เจ็ดนกยุงตัวนี้ก็รักษาศีลมาถึงเจ็ดร้อปีฮะเอายุยืนนกยุงทองตัวนี้พอได้ถือก็เลยนายพรานเนี่ยเขาฆ่าพรเจ้าไม่ไปใกล้หรอกฆ่าพเจ้าจะเอาธนูยิงยิงสายป่านสายเอ๋ แล้วนี่ยที่มันติดนกยูงให้มันขาดได้ให้มันไปเลยข้าไม่เจ้าไม่จับแล้วพอโกงธนูขึ้นไปนกยูงทองมองเห็นเลยมองเห็นนายพานเอ้ยนายพานข้าขอชีวิตด้วยข้าด้วยเธอข้ากับเธอยังไม่รู้จักกันทําไมมาฆ่ามายิงข่านีนายพานเคยเข้าไปไม่ใช่เราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าท่านนะแต่ข้าพเจ้าจริงๆสายแล้วเนี่ยที่มันติดขาท่านน่ยให้มันขาดไปเลยให้ท่านไปตามสบาย ข้าไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายท่านนะนกยุงทองเอ้าท่านเตรียมจะมาจับข้าไปเจ้าถึงเจดปีมาแล้วแต่เมื่อจับข้าไปเจ้าได้แล้วทำไมจริงจะปล่อยพรานก็บอกว่าข้าไปเจ้าเห็นท่านแล้วข้าไปเจ้ายินดีที่จะให้อภัยต่อสัพพสัตทั้งหลายทุกหมู่เหล่าพรานคิดแทนพูดขึ้นมาอย่างนั้นเลยถามนกยูงทองว่า ถ้าผู้ใดก็ตามให้อภัยต่อสรพพสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนสัตว์นี่อันนี้สงเขาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตลูกยุงทองบอกว่าผู้ใดก็ตามให้อภัยต่อสรพพสัตว์ทั้งหลายไปเป็นโลกภยายภาคหน้าก็คือไปสู่สวรรค์เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้าอยู่ในมนุษย์โลกในชาตินี้ก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ให้อภัย ต่อสรรพสัตว์ต่อคนทั้งหลายพรานก็ถามอีกว่าสมณะพรามณ์ทั้งหลายเอด้วยวาสนาในยุคสมัยนี้เขาบอกว่าตายแล้วสูญ น, นะครับนกยุงทองพญานกยุงทองอย่าไปเชื่อนกยุงทองว่าอย่าไปเชื่อว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกนี่พระทิดพระจันท์หมนุนวกกลวนเวียนอยู่อย่างเนี้ไม่เห็นมันดับ ววันพุ่งนี้มันก็ขึ้นอีกวันต่อไปขึ้นอีกมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันคนเราเกิดมาแล้วก็เกิดบุ่วนเวียนตายเกิดตายเกิดอย่ในวัฏสงสารนี่ยถ้ายังมีกิเลสอยู่ทั้งนกจุงทองก็ถามว่าเขาว่าตายแล้วศูนนะตายแล้วไม่เกิดอย่าไปเชื่อนกจุงทองบ่าถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ให้ไปถามสมณะรามผู้ทรงศีลท่านต้องเลือกคัดสรรถามสมณะาม ผู้มีความรู้จริงเนีย่ยจะไปถามกะลิกกวะเลกะวะลาดนะตั้งศึกษาให้แท้จริงนะเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการเป็นอยู่เนะี่ยไม่ใช่จะฟังคำใดของใครใครผู้หนึ่งแล้วก็จะมาเชื่อเอาทีเดียวไม่ได้นะท่านนะจกนี้นาพรานคนนั้นก็พอนึกคือมาในใจเท่านั้นเขาได้เขาได้เป็นพระประเจกนะทพรานคนนั้ น, น, อ น, นนะไอ้เขาบอกมีบุญบารมีอยู่แล้วเพราะได้ยินเสียงนกยุงทองเทศเท่านั้นนะพูดให้ฟังนะ เขาได้สำเร็จเป็นพระปฏิเจกผู้เทีเจ้าในขณะนั้นเขากบอกนกยุงทองข้าพเจ้าได้เป็นพระปฏิเจกแล้วน่าเดี๋ยวนี้นะพระปฏิเจกถ้าบูตบารมีมาถึงนั้นมันไม่ยากนะพอระลึกถึงอธิจังทุกขังอนัตตาน่ยปั๊บเข้าไปในหัวใจเท่านั้นสําเร็จเป็นพระปฏิเจกท่านก็ได้เป็นพระปฏิเจกขึ้นมาในพรานคนทั้นโอ้ท่านข้าพเจ้าได้เป็นพระปฏิเจกแล้วจะทํำยังไงข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนสัตว์แหละข้าพเจ้าที่ตรัสรู้เป็นพระปฏิเจกแล้ว นกยูงทองบอกว่าเออก็ดีอนุโมทนานกพระประเจกเขบอกว่านี่นะข้าพเจ้าได้ขังนกทั้งหลายไว้ในบ้านของข้าพเจ้าและจะทํำยังไงข้าพเจ้าขังไว้ทั้งหมดนกยูงทองก็แนะนําว่าให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าที่ข้าพเจ้าได้ขังนกไว้ในกรงนั้นขอให้นกทั้งหลายเป็นอิสระด้วยเทิน ให้ตั้งจิจอธ่ติทานอย่างนี้นกยุงทองแนะนำพ่อปเจ ก, ก็ตั้งจิจอธิษฐานและกนกทั้งหลายก็ออกจากกรงทั้งหมดในที่คุมขังจากนั้นพ่อปเจกท่านก็เลยเอามือรูปศีรษะพอรูปศีรษะตอนนั้นแหละผมทั้งหลายก็หล่นหายหมดไปเลยอธิบริคานก็ลอยเข้ามาสวมจากนั้นก็เข้าไปเจ้าไปแล้วนะ พัญ ย, ยานกยุงทองนะท่านผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของท่านจนเข้าใจในธรรมข้าพเจ้าขอลาไปแล้วนะท่านท่านนกยุงพัญญานกยุงทองนะจากนั้นพระประเจรก็เหาะไปอยู่กับหมู่ของพระ อ, องค์คือเขาเขาโมลละกะคือเป็นวัดพระประเจกค่ะเป็นภูเขาอีกค่ำเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระประเจกพุทธเจ้า นี่แหละสรุปแล้วคือนิทานองวาชารอกเรื่องนี้การที่พวกเราจะทำคุณงามความดีเนี่ยอย่าชล่าใจอย่าคิดว่าจะคิดว่ากิเลสภายในใจของเราเพียงนิดหน่อย ม, มันจะไม่ทำร้ายทำลายเร า, ยาเหมือนกับนกยุงทองนะท่านรักษาศีลบริสุทธิ์มาถึง700ปีแต่มีความชล่าใจอยู่หน่อยเดียวเนทะ่านั้นทำให้เสียหลัก ทําให้เสียหลักลงได้จนติดบว่วงนายพานแต่ก็ยังดีะนะนายพานเป็นผู้มีคุณธรรมท่านก็มีคุณธรรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าสมัย น, ะนยั้นนกยูงทองตอนนั้นคือเป็นพระพุทธเจ้าของเราใช่ชาตินะแต่นะพระเบเจกท่านก็เข้าสู่นิพพานไปแล้วเนี่แหละสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายการสร้างคุณงามความดีต้องเตรียมพร้อมอย่าให้กิเลสไฟต่ําเข้ามา เหยียบย่ำทางจิตใจของเรากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนกยุงทองคือกิเลสลาคะที่เหยียบย่ำจนทะเไถลายถลําจนเสียหลักนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลา ย, ยขณะเราตถาคตเป็นผู้มีสินทรงสินรักษาสินอยู่ตั้งเจ็ดรอปีก็ยังมีความลุ่มหลงยังมีถลําลงไปได้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 เหตุนั้นควรเจริญให้มากเมื่อกุศลเจริญให้มากแล้วพวกท่านทั้งหลายจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและก็มีความสุขทั้งพบนี้ชาตินี้มีความสุขทั้งพบต่อไปภายภาคหน้าอีกอันนั่นแหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านสรุปแล้วก็คือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบแต่คุณงามความดีสรุปแล้วก็คือคิดดีทาดีพดูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้ย้าอยู่เสมอนะ แต่ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะนุโมทนาให้พร